บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปหลักธรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสงบที่เรียกว่าสมาธิจนถึงเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายนั้นทรงแสดงไว้สามข้อคืออาตาปี ความเพียเพรเผากิเลสใหเร่ารอนอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วในข้อต่อไปนั้นทรงใช้คำว่าสัมปชานะหรือสัมปชาโนแปลว่าความรู้ทั่วพร้อมซึ่งเมื่อดูศัพท์แล้วก็เป็นสำนวนปรดีอยู่หน่อยหนึ่งหมายถึงความรู้สิ่งเหล่านั้นโดยท่องแท้แล้วพร้อมกับการกระทา พร้อมกับการพูดพร้อมกับการคิดพร้อมกับการกําหนดระลึกอารมณ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นสามปัะชานะก็คือสามปัญญะแล้วก็คือปัญญาความรอบรู้นั่นเองแต่เมื่อกล่าวถึงส่วนที่เป็นเหตุก็ใช้ให้มีลักษณะที่เคลื่อนไหวออกไปได้เมื่อบุคคลได้ฟังแล้ว ก็จะเกิดความเข้าใจในลักษณะขององค์ธรรมข้อนี้ว่าจะต้องเป็นความรอบรู้ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดสัมพันธ์กับความคิดกับการกระทาของตนเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดพลั้งเผลอบังเกิดขึ้นหรือความผิดปรากฏขึ้นแม้ว่าบางครั้งจะเกิดความพลั้งพลาดขึ้น แต่ถ้ามีสัมปชานะคือรู้ทันก็แก้ตัวได้ไม่ถึงกับเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาลักษณะของสัมปชานะหรือสัมปัญญะจึงเป็นเรื่องของความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเสริมสร้างกระทาอบรมของบุคคลเหล่านั้นอันที่จริงความรู้ในลักษณะนี้ มีอยู่เป็นเชื้อภายในจิตใจของบุคคลอยู่พอสมควรแต่เมื่อจะนำมาใช้งานที่เป็นกิจจลักษณะจริงๆก็ยังใช้ไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องสร้างเสริมอบรมเพิ่มพูนให้มากขึ้นจากต้นทุนที่มีอยู่แล้วนั่นเองลักษณะของสัมประชานะหรือสามประชัญญาทรงจำแนกไว้ โดยสรุปเป็นสประเภทด้วยกันประเภทแรกคือจะต้องรู้พร้อมว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์การดำารงชีวิตของบุคคลเรานั้นสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์มีความสาคัญที่สุด <c oughs> แต่ประโยชน์ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นจะต้องแสดงออกให้เห็นว่า มีความกือกูลแก่ตนและส่งผลเป็นความสุขแก่ตนเป็นที่ตั้งเพระาะฉะนั้นสิ่งบางสิ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลหนึ่งแต่อาจจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับบุคคลหนึ่งก็ได้ในขั้นของรายละเอียดแต่สำหรับในที่นี้ขอเพียงแต่จำแนกได้แยกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ ที่เกื้อกูลและอำนวยความสุขให้อะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลนำความทุกข์มาให้ก็แยกให้ประกชัดซึ่งว่ากันโดยหลักของปริยัติแล้วเหตุผลเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยอเนกกรบปรยายเป็นหนทางที่ทรงชี้ชัดลงไปไม่มีความเปลี่ยนแปลง คืออะไรที่ทรงชี้ว่าไม่เป็นประโยชน์ก็คงไม่เป็นประโยชน์อยู่อย่างนั้นอะไรที่ทรงชี้ว่าเป็นประโยชน์ก็คงเป็นประโยชน์อยู่อย่างนั้นพระธรรมะของพระพุทธองค์เป็นอากาลิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาอย่างที่ทราบกันข้อนี้พึงดูตัวอย่างในการบําเพ็ญสมาธินั้นความสงบเป็นประโยชน์ของสมาธิ ความฟุ้งซ่านไม่เป็นประโยชน์แก่สมาธิความโกรธความอาฆาตพยาบาทความผูกใจเจ็บไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลความมีเมตตากรุณาต่อกันเป็นประโยชน์แก่บุคคลเป็นต้นก็สรุปว่าสิ่งใดที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขสิ่งนั้นเป็นประโยชน์สิ่งใดที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ นี้เป็นชั้นของความจําไว้ก่อนแต่ว่าอีกในชั้นหนึ่งนั้นก็อยู่ที่ชั้นของความเข้าใจเป็นอุบายวิธีในการใช้สิ่งเหล่านั้นซึ่งบางสิ่งแม้จะไม่เป็นประโยชน์โดยฐานะก็ตามแต่ถ้าหากว่าคนนามาคิดนามาประยุกต์ใช้ก็เกิดประโยชน์ได้ยกตัวอย่างเช่นอารมณ์ บางอย่างที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสของตนถ้าหากว่าบุคคลรู้มีปัญญามีสัมปชัญญะก็อาจจะใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกื้อกูลเก่ตนเองได้ยกตัวอย่างเช่นเสียงเพลงที่เขาร้องนั้นถ้าคนฟังด้วยสัญญา ก็จะฟังในลักษณะว่าไคเราะหรือไม่ไพเราะใครเป็นคนร้องแต่ถ้าฟังด้วยปัญญาแล้วก็จะพิจารณาเนื้อหาสาระแห่งเพลงเหล่านั้นซึ่งบางครั้งแม้แต่บทเพลงที่ร้องกันอยู่ก็นำมาคิดนำมาพินิษพิจารณาให้เกิดเป็นประโยชน์ได้พระเรียเจ้าทั้งหลายเป็นจำนวนไม่น้อยที่อาศัยสิ่งรอบตัวของท่านนี้เอง เรียนรู้หาความเข้าใจถึงปัญหาแห่งชีวิตแล้วสามารถอาศัยสิ่งนั้นเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นไปโดยลำดับได้และในจุดสุดท้ายนั้นก็คือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้แก่สิ่งที่เคยจัดปราประกุศลออกไปจากจิตใจมีความสงบมีความสะอาดปังเกิดขึ้นภายในจิต ถ้ามีลักษณะตรงกันข้ามการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการกระทาที่ไม่มีประโยชน์ประการที่สองนั้นให้มีสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วพร้อมหรือบางทีแปลว่าความรู้ตัวว่าสถานที่ใดควรไปและไม่ควรไปบาลีใช้คำว่าโครจะระสัมปชัญญะคือความรู้ ตัวว่าอะไรเป็นโครจรคือสถานที่ควรไปอะไรเป็นอโครจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปคําว่าสถานที่นั้นสถานที่ที่ควรไปหรือไม่ควรไปนั้นเมื่อแยกออกไปแล้วเป็นสถานที่ที่กายจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นประการหนึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ใจจะไปเหนี่ยวนึกใจจะไปกําหนดหมายนั้นประการหนึ่ง ในทามพระพุทธศาสนาชั้นของวินัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นข้อบัญญัติห้ามภิกษุเข้าไปในสถานที่ที่เป็นอขโคจรเช่นว่าร้านจำหน่ายสุราโรงหมร้รศพสถานที่เล่นการประนันไปตุนซึ่งสถานที่เหล่านั้นเมื่อบุคคลเข้าไปแล้วเบื้องต้นก็เสียสง่าราศีสำับบุคคลที่เข้าไป ในช่วงต่อไปคือกิเลสจะได้เหยื่อมายั่วยุให้เกิดความต้องการไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นฉันอยากดื่มสุราอยากเล่นการพ น, นันเป็นตน้นในที่สุดบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดเพิ่มพูนขึ้นที่เกิดแล้วก็จะงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อปิดกั้นกระแสแห่งความชั่วเอาไว้ก็ตัดตนออกมาจากสถานที่เหล่านั้น ซึ่งในปัจจุบันสถานที่ที่มีลักษณะดังกล่าวนั้นยิ่งมีมากขึ้ น, นไปซาำไปอันอยู่ในวิสัยของผู้มีปัญญาจะพิจารณาเลือกเฟ้นว่าสถานที่ใดที่เข้าไปแล้วเสียสง่าราศีของตนเป็นต้นไปก็ไม่เข้าไปในสถานที่นั้นสถานที่ใดก็ตามที่เข้าไปเป็นสิริมงคลเป็นสง่าราศีเพิ่มภูณบุญกุศลที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้น ทำบุญกุศลความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นสถานที่เหล่านั้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ควรแก่การไปประการต่อไปเป็นเรื่องทางไปของจิตคือความสึกนึกหรือความคิดนั่นเองจะพบว่าเรื่องของความคิดเป็นเรื่องวจีสังขารคือเือตัวที่ปรุงแต่งวาจา แต่ในขณะเดียวกันความคิดนั้นก็กำหนดบทบาทในการดําเนินชีวิตม่ว่าจะเป็นกายกรรมวิจิกรรมหรือปโนกรรมก็าตามทางแห่งความคิดที่ไม่ควรเหนียวนึกนั้นทรงแสดงไว้สามประเภทใหญ่ๆด้วยกันที่เรียกว่าอากุศ ล, ลวิตุก็คือทางที่เป็นอกุศลได้กระจายเป็นเหนียวนึกถึงอารมณ์ที่น่าใคลายน่าปรารถนาหน้าพอใจ ความเหนียวนึกในลักษณะนี้เป็นการเพิ่มกิเลสสายโลภะให้สูงขึ้นจนบางครั้งถ้ามากไปก็ไม่อาจที่จะควบคุมไม่ได้ออกมาในรูปของการแสวงหาที่ไม่เหมาะไม่ควรมีการประทุษร้ายเบียดเบียบนระบุคคลอื่นเปน็นต้นอาการเหนียวนึกถึงเรื่องที่ตนไม่พอใจเจ็บใจมีความกดมีความเกลียดต่อเรื่องเหล่านั้น แล้วมุ่งที่จะโต้อตอบด้วยความอาฆาตพยาบาทมุ่งที่จะทำลายล้างเพื่อให้สมกับความโกรธของตนซึ่งความคิดในลักษณะนี้อย่างที่ทรงอุปมาว่าเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นในกายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเสียแทงบุคคลผู้นั้นอีกประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของของวิหิงสาวิตรคือตรึกนึกไปในทางเบียดเบียนประทุษร้ายกัน ต้องการที่จะเห็นการเบียดเบียนการประทุษร้ายความพินาศเดือดร้อนของคนหรือของสัตว์ทั้งในซึ่งตามปกติแล้วความนึกคิดเหล่านี้จะถูกเก็บกดเอาไว้ภายในใจของคนเพราะแสดงออกมาไม่ได้แต่เนื่องจากมีปริมาณมากคนก็หาทางผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านี้ของตนโดยสร้างเงื่อนไขขึ้นภายในสังคมให้เป็นที่ยอมรับการในหมู่ในพวกของตัวเอง เช่นการนำสัตว์มาพจนกันการนำคนมาต่อยกันตลอดถึงการนำพวกไก่พวกปลามาชนมากัดกันเป็นต้นแม้แต่การต่อสู้การประหัตประหารซึ่งแต่และเรื่องนั้นเป็นเรื่องของความเบียดเบียนทั้งหมดแล้วก็เป็นความผิดทั้งหมดด้วยเพราะเป็นการทรมานสัตว์เป็นการโตรกรรมสัตว์แต่ว่าคนก็กําหนดเป็นเงื่อนไขขึ้นมาว่าเป็นกติกา ยอมรับนังถือกันเพื่อสนองตอบความรู้สึกที่เป็นวิหิงสาวิตกของตนอันถูกคุมไว้มากเกินไปก็ต้องปล่อยออกมาในลักษณะนั้นนี่เป็นทางที่ไม่ควรเที่ยวไปของจิตส่วนอีกทางหนึ่งคือความตรึกนึกในทานองที่จะเคยจัดความกําหนัดรักใครยินดีขอยคว้าต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิต เพื่อนำจิตออกไปจากอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นความสึกนึกที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขไม่ประทุษร้ายกันไม่เบียดเบียนกันที่เรียกว่าอภิยาปาตวิตกคือสึกนึกด้วยความไม่พยาบาทเมื่อสึกนึกไปแล้วมีความส ง, งบมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในจิต และอวิหิงสาวิตกคือตรึกนึกในทํานองไม่ต้องการเห็นการเบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะว่าการเบียดเบียนกันนั้นมีแต่สร้างความทุกข์ความพินาศให้แก่กันได้กันเท่านั้นไม่มีผลดีแก่ใครๆเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ที่ต้นมุจลินจึงได้เปล่งพระพุทุทานว่าการไม่เบียดเบียนกันคือความระมัดระวังเมื่อเกี่ยวข้องกับคนแลสัตว์ทั้งหลายนั้น เป็นความสุขในโลกนี้ก็เป็นทางเดินของจิตที่เป็นโครจรคือควรให้จิตเที่ยวไปในเรื่องนี้ให้ลองสังเกตว่าความคิดเหล่านี้เป็นการพลิกด้านหนึ่งมาใช้ด้านหนึ่งเท่านั้นเองเพราะตามปกติแล้วจิตจะไหลไปในอารมณ์ที่ใคร่ที่ไม่พอใจที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนจิตก็คงทำหน้าที่เดิมคือคิดเหมือนเดิมแต่ก็พลิกด้านหนึ่งเข้ามาใช้ คือด้านที่จะออกจากกามด้านที่จะไม่พยาบาทด้านที่จะไม่เบียดเปลี่ยนกันผลที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นคือเกิดแก่จิตของบุคคลนั้นนั่นเองเนื่องจากจิตเป็นตัวกาหนดบทบาทแห่งชีวิตพอจิตดีแล้วแสดงออกมาทางกายทางวาจา ก, ก็ดีตามไปนี้เรียกว่าโคโจรสัมปชัญญะคือมีความลฉลาดมีความรอบรู้ในเรื่อง ทางเดินของกายและทางเดินของจิตว่าทางใดที่ปลอดภัยก็ไปในทางนั้นข้อที่สเรียกว่าสัพพายะสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วพร้อมว่าสิ่งอะไรเป็นเครื่องสบายแก่ตนหรือไม่สบายแก่ตนสิ่งที่ทรงแนะให้เลือกนั้นก็มีอยู่หลายอย่างอย่างเช่นในการปฏิบัติกรรมฐาน ก็ทรงกำหนดสัายะเอาไว้เช่นว่าให้มีเสนาสนะสัายะคือด้านเสนาสนะที่บำเพ็ญเพียรที่อยู่อาศัยจะต้องมีความสะดวกสบายแล้วในชั้นทั่วๆไปก็คือสถานที่อยู่อาศัยนั้นมีความสะอาดเรียบร้อยไม่มีอะไรเกเกะจนจัดก็ทําให้เกิดลักษณะของบ้านอย่างที่ท่านพูดกันว่าบ้านเรือนสะอาดนักปราชจะมาเกิด ประจิตใจของผู้อยู่ในสถานที่นั้นจะมีความสบายปลอดโปรง่งไม่มีความขุดมัวเพราะสิ่งที่ขวางหูวขวางตาในบ้านของตนในข้อต่อไปเรียกว่าอาหารรัสั์ปายะคืออาหารนั้นจะต้องเป็นปัจจัยอำนวยความสะดวกหนุนให้การปฏิบัติดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควร อาหารจึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะศาตร์ท้งหลายจะดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามากเกินไปน้อยเกินไปก็มีผลเสียด้วยกันผลหลักทางศาสนานั้นอยู่ที่ตรงกลางที่เรียกว่ามัชฌินธรรมหรือมัชชิมาปฏิปทาการบริโภคอาหารจะต้องรู้จักประมาณที่ทรงแสดงวพอเนมัตันอยู่ตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยถ้าหากว่ามากไปใจจะตกไปสู่อำนาจของถีนมิธา ค, คือความง่วงนอนถ้าน้อยไปยใจก็จะตกไปสู่อำนาจของอุทธจักกุกุจักคือฟุง้งเพราะถูกเสียดแทงด้วยความหิวกระหายที่บังเกิดขึ้นข้อต่อไปคือปุคละสปายะบุคคลที่ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมะกันนั้น จะต้องเป็นผู้ที่เกื้อกูลต่อกันมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เป็นปัจจัยของการใดกันไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติของอีกบุคคลหนึ่งในชั้นของวินัยนั้นทรงกําหนดเป็นข้อบัญญัติไว้เลยสําหรับพระเช่นว่าพระรูปหนึ่งกําลังท่องปฏิโมกกําลังศึกษาธรรมะกาลังปฏิบัติธรรมะอยู่ อ, องหนึ่งจะไปชวนคุยไม่ได้ปรับอบัตเพราะถือว่าทำให้เขาเสียสับปายะคือความสบายในด้านบุคคลเขากระบางประพฤติปฏิบัติความดีตนไปขัดขวางเขาในชั้นของพระนั้นปรับอบัตแต่สำหรับชาวบ้านแล้วก็เพียงแต่สั่งสอนให้เกิดความสานึกที่เหมาะที่ควรเท่านั้นเพราะศีลไม่ได้มากมายไปถึงขนาดนั้น อีกประการหนึ่งก็คือธรรมะสัปปายะได้แก่ธรรมะที่นำมาประพฤติปฏิบัติในชั้นของกรรมฐานก็คือตัวอารมณ์ของกรรมฐานที่นำมาใชา้เรื่องการปฏิบัติสมาธิเป็นเรื่องลางเนื้อชอบลางยาอารมณ์กรรมฐานบางอย่างทำให้ผู้หนึ่งจิตใจสงบได้เร็วแต่สำหรับอีกคนหนึ่งกลับไม่เกิดความสงบขึ้นมาก็ได้ เพรา ะ, ะไรเพราะว่าบารมีพื้นเพออัธยาศัยของบุคคลที่สร้างสมอบรมมานั้นแตกต่างกันพระพุทมีพระภาคเจ้าจึงทรงสดแสดงอารมณ์ของกรรมฐานให้คล้อยตามจริตของบุคคลแล้วก็รับสั่งแสดงเอาไว้ว่าคนจริตอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติกรรมฐานอย่างนั้นคนจริตอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติกรรมฐานอย่างนั้นแต่วนในขณะเดียวกัน การที่สำนักต่างๆสอนอานาปานสติกรรมาฐานกันมากนั้นเป็นเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนไม่มียานอย่างรู้เช่นพระพุทธเจ้าและยานอย่างรู้ในลักษณะนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแม้แต่พระราหันท่านก็รู้ไม่ได้เหมือนกันเมื่อมีปัญหาขึ้นก็ต้องมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าอานาปานสติจึงกลายเป็นกรนกรมฐานหลักในข้อที่ว่า คนจะเป็นจริตอะไรก็าตามก็ต้องตึกนึกอยู่นั่นเองต้องคิดถึงราคาจริตก็คิดถึงเรื่องรักๆใคร้ๆโทสะจริตก็คิดถึงเรื่องไม่ชอบใจเป็นต้นอานาปานาสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานซึ่งเหมาะแก่คนที่มีวิตกจริตคือคิดมากกับโมหะจริตคือเสื่องซึมงอยเงานเฉยดังนั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติกรรมฐานส่วนนี้ ก็สามารถที่จะสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจได้เพราะในเชิงของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะครอบคลุมจริตทั้งปวงได้นอกจากนั้นยังมีพวกอุตสัา ป, ปายะเช่นอากาศจะต้องไม่ร้อนเกินไปจะไม่หนาวเกินไปเพราะโดยหลักความเป็นจริงแล้วถ้ากายกระสรับกระสายจิตจะสงบไม่ได้ แม้แต่คนระดับพระพุทธเจ้าเองในขณะที่ทรงอดอาหารจนผายผอมลงไปนั้นเมื่อตัดสินพระทัยจะบำเพ็ญเพียรทางจิต ท, ทรงเห็นว่าพระกายยังไม่พร้อมพระกระสรับกระส่ายเนื่องจากเวทนาความหิวเสียดแทงก็ต้องเสวยพระกระยาหารจนร่างกายมีกำลังเสียก่อนกายกับใจจึงเป็นปัจจัยอาศัยกันเลยกันอย่างนี้นี้เรียกว่าสัปายะสัมปชัญญะ ข้อต่อไปเรียกว่าอาโมหะอสัมโมหะสัมปัชชะคือเป็นความรู้ที่ต้องไม่หลงความรู้พร้อมที่ไม่หลงไม่หลงอย่างไรในชั้นของปริยัติทั่วๆไปนั้นบุคคลจะต้องเข้าใจในชั้นของเนื้อหาธรรมะย่าให้เกิดความเข้าใจผิดความเข้าใจสับสนในด้านธรรมะ หรือแม้แต่การมองกันคนละด้านคนละมุมเมื่อกล่าวถึงเรื่องอันเดียวกันอย่างที่เกิดปัญหาขึ้นในสมัยพุทธกาลพระท่านถกเถียงเรื่องเดียวกันแตลพูดกันคนละแง่พระภูมีพระภาคแก้วจึงรับสั่งเล่าเรื่องตาบอดครามช้างเจ็ดคนให้ฟังโดยทรงเชื่อเห็นว่าถ้าคนตาบอดก็จะสมมติเข้าใจเอาด้วยสัมผัสของตัวเอง แต่เมื่อคนตาดีมาเห็นข้าวก็จะรู้ว่าเรื่องที่คนตาโบทถกเถียงกันนั้นเป็นการพูดถึงช้างเชือกเดียวกันแต่พูดกันในคนละแง่คนละมุมเท่านั้นเองเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของปริยัติได้แก่การศึกษาสลับสับฟังและการอ่านตำหรับตำราอย่าให้หลงในเรื่องเหล่านี้ประการต่อไปหลงในชั้นของการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติสมาธิ ในชั้นของสมถะคือทำใจให้สงบนั้นโอกาสที่จะหลงมีอยู่เป็นอันมากแต่ไม่ใช่จนถึงกับสติวิปริตปลายหรือวิปลาสปอย่างที่เข้าใจกันเช่นยกตัวอย่างระหว่างสมาธิกับอาการเคริมหลับอาการน้อมไปเพื่อเข้าสู่สมาธิกับอาการน้อมไปเพื่อหลับนั้นคล้ายกัน แต่ว่าจุดที่แตกต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นสมาธิเรารู้อยู่ตลอดตัดอารมณ์ภายนอกออกไปใจสงบอยู่กับอารมณ์กับสมาธิแต่ส่วนอาการเคริมหลับนั้นก็หลับไปเลยนี้เป็นช่วงหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความคิดปรุงส่วนมากจะเกิดขึ้นจากความอยากที่เรียกว่าการมั่นฉันนั่นเอง เช่นว่าท่านแสดงว่าปฏิบัติกรรมาฐานแล้วจะเกิดปีติอย่างนั้นจะเกิดนิมิตอย่างนี้จะเห็นภาพอย่างนั้นเป็นต้นซึ่งการเห็นหรือไม่เห็นนั้นมันก็เหมือนกับการเดินทางเช่นยกตัวอย่างว่าบุคคลจะเดินทางไปในสายใดสายหนึ่งเช่นจะไปนคนปรปฐมต้องการจะเห็นพระปฐมเจดีย์มันก็ต้องถึงพระปฐมเจดีย์เสียก่อนจึงจะเห็น ไม่ใช่ว่านึกจะเห็นก็เห็นเอาแต่เนื่องจากความปรุงคิดความคิดปรุงหรือความอยากเห็นนั่นเองบางครั้งนั่งสมาธิหลับแล้วก็ฝันเนื่องจากได้เก็บอารมณ์ต่างๆเอาไว้ก่อนที่จะฝันมากก็เลยเอามาเรื่องเรื่องเหล่านั้นมาฝันต่อปรุงแต่งขึ้นไปกันด้วยประการต่างๆแล้วเอาเรื่องที่ฝันนั่นเอง เข้ามาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเรื่องจริงที่ตนเห็นด้วยสมาธิทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยได้สมาธินี่ก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ไปอีกประการหนึ่งก็คือว่าตัวสมาธินั่นเองเป็นความส ง, งบที่บุคคลได้แล้วก็ไปหยุดไปติดอยู่ที่สุขในสมาธิเพราะสุขในสมาธิเป็นความสุขที่พิเศษกว่าที่คนสัมผัสกันในชีวิตประจาวัน เลยไม่ยอมขยับตัวไปไหนนั่งปฏิบัติกรรมฐานแล้วพอติดอยู่ถึงสุขก็หยุดคล้ายกับคนเดินมาในถ้ำกลางอากาศที่ร้อนพอพักได้ร่มเงาต้นไม้อาบน้ําดื่มน้ําพักผ่อนแล้วไม่ยอมออกจากงเงาต้นไม้ติดในความสุขภายใต้ร่มเงาของต้นไม้แท้แต่จริงไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่เป็นการหยุดความก้าวหน้าในการปฏิบัติเอาไว้เพียงเท่านั้น ซึ่งผลเหล่านั้นไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติในธรรมะทางพระพุทธศาสนามีลักษณะคล้ายๆกับขึ้นบันไดคือบันไดทุกขั้นนั้นเราต้องเหยียบแต่ว่าต้องเหยียบแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ไปยืนอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วไม่ยอมก้าวต่อไปก็จะขึ้นสู่ปราศาสตรคือปัญญาไม่ได้การบําเพ็ญเพียรทางจิตก็มีลักษณะอย่างนั้น สิ่งหนึ่งในชั้นหนึ่งเราต้องอาศัยแต่พออีกชั้นหนึ่งก็จําเป็นจะต้องละเรื่องเหล่านั้นไปก็ ข, ขึ้นกันไปโดยลําดับแต่บันไดทุกขั้นนั้นมีประโยชน์มีความคื้อกูลสมบพในขั้นนั้นๆแต่เมื่อจะเหยียบขั้นที่สองก็ต้องทิ้งขั้นที่หนึ่งไม่จะเหยียบขั้นที่สาก็ต้องทิ้งขั้นที่สองก็ทิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดคือปราสาทหรือบ้านหรือตึกที่คนต้องการจะขึ้น การปฏิบัติสมาธิก็มีลักษณะอย่างนั้นจึงสอนไม่ให้หลงในเรื่องเหล่านี้และเรื่องที่อาจจะหลงได้นั้นก็ยังมีอยู่อีกเป็นนันมากแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีสัมปชัญญะหรือสัมปชาันาที่ได้ฝึกปลืออบรมมาแล้วพอเกิดปัญหาเหล่านี้จะสามารถตัดได้คือตัดข้อสงสัยตัดลังเลแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะสามปัาญะหรือสามปัญญะคืออาการของปัญญาที่มีลักษณะเหมือนกับเขียวตัดรวงข้าวฉะนั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป